ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายลำดับต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังพระสูตรอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระสูตรเรื่องนี้มีนามว่าเรื่องพระนางสาม า, มาวดีเนื้อความมียย ว, ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เมื่อทรงอาศัยเมืองโกสัมพีและก็วัฒน์อยู่ที่โคสิตารามทรงปรารบความววดวายคือความมรณะของหญิงห้าร้อยมีพ น, นางสา ม, มาวดีเป็นประธานและของหญิงห้าร้อยของพ น, นางสา ม, มาคันธยานั้นซึ่งมีนางมาังคติยาเป็นประธาน ยิงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศานานิวาอัปมาโทอมตังบัตังเป็นต้นเรื่องนี้มีมีอัตถกาถาท่ากล่าวไว้ดังต่อไปนี้สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่กษัตริย์ทั้งสองทั้งสองเป็นพระสหายกันเป็นเรื่องต้นของบัณนางสามาวดี คิ่ว่าเรื่องเขาวรนามภาษามาวดีที่มันดาญาโยามพุทธบริษัท์ฟังมาก่อนนั่นเป็นตอนปลายจับเอาเฉพาะตอนปลายตอนนี้เป็นตอนต้นสาหรั บ, บเรื่องนี้ก็อย่าพูดกันไปจนกว่าจะจบเรื่องตามลำดับไปแต่กล่าวว่าในการล่วงมาแล้วมีพระราชาสององค์พระราชาสององค์เหล่านั้นก็คือในแคว้นอันลกัปะ ราชาสมพัต น, นามว่าอันละกะปะเป็นว่าชื่อเหมือนเมืองแล้วก็ในแฝนเวททีประกะศราชาสมพัต น, นามว่าเวททีประกะเป็นพระเสหายกันท่านตั้งแต่ทรงพระอย่างยาวแล้วก็ทรงศึกษาศิลปะในสำนักของอาจารย์เดียวกันโดยล่วงไปแห่งพระราชวีดาของตนหมายความว่า ราชวีดาของตนงพระราชาองสองสวรรคตท่านก็ได้ยกสเวสวยขึ้นแล้วคือเป็นพระราชาทรงเป็นพระราชาในแคว้นมีนามแควนละสิโยอหมายความว่าเมื่อมีเน้ อ, เนอที่ในประมาณแควนละสิโยอดพระราชาทั้งสองพระองค์เสด็จมาไปชมกันตลอดเวลาตามการ หมายความว่าถึงเวลาสมคนก็นมาพบปะสังสรรค์กันเพราะเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ออทรงยืนแล้วก็นั่งและบรรทมร่วมกันทอดพระเนตรเห็นบรรดามหาชนพวกเกิดอยู่และตายอยู่ <c oughs> หมายความมองดูคนที่เกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิด ยังทรงบปิษสากันว่าขึ้นชื่ว่าผู้ตามคนผู้ไปสู่ประโลกไม่มีในกวาหมายความว่าคนใดที่ตายไปแล้วแม้แต่คนข้างหลังที่มีความรักมากแสนมากปร ะ, ประการใดก็ตามที่ขยโดดตายไปตามนั้นมันไม่มีในที่สุดสรีระของคนก็ตามไปไม่ได้ นี่ก็หมายความว่าเมื่อคนอื่นตามไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายคนตนเองก็ไม่สามารถจะตามไปได้ความจริงร่างกายของเราเราเป็นที่รักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่เมื่อเวลาตายจริงๆก็ต้องทอดทิ้งอยู่กับ พ, พื้นปฐพีแต่กล่าวว่าต้องละสิ่งทั้งปวงไปก็หมายความทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อตายแล้วไปไม่ได้สักอย่าง ยิงมาทรงนําไปว่าประโยชน์อะไรได้วยการอยู่ครองเรือนของพวกเราเราจะบวชเมื่อเมื่อประสากันดังนี้แล้วจึงได้ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสและพรรพกเหสีต่างคนต่างก็ออกบวชเป็นฤาษีในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนา <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจา้าทรงเล่าเองแล้วก็ไปอยู่ในหิมมวันตประเทศไอหิมมวันตประเทศไอหิมะหิมะที่เขาเรียกว่าป่าหิมพผ่านคือป่าที่มีความหนาวที่มีหิมะตกใจไกลผู้คนผู้คนไม่เข้าไปรบกวนยิ่งได้ทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจจะเป็นอยู่ หมายความไม่อาจจะบยึดเป็นอยู่จึงสระราชสมบัติออกบวชก็หามิได้นั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่จะไร้ทรั พ, พยากรและทรัพย์สมบัติแล้วจึงบวชก็ไม่ใช่เราเหล่านั้นเมื่ อ, อยู่ในที่แห่งเดียวกันนี่หมายความขณะที่ท่านอยู่นั่งร่วมกันท่านก็คิดว่า การที่เราออกบทไม่ใช่นคนสิ้นเนื้อประดาตัวและก็เวลานี้บวดเป็นโยคยีแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ที่เดียวกันเมื่ออยู่ที่เดียวกันก็จะเป็นเหมือนผู้ไม่ชิมไม่วดตันเองเพราะฉะนั้นได้กล่าวว่าเราควรจะแยกกันอยู่ท่านจงอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นเราจะอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ แต่ว่าจะรวมกันในวันอุโบสถคือทุกเกึ่งเดือนหมายความว่าเวลาใดที่พระจันทร์เต็มดวงทุกเรืองเดือนจะมาพบ ก, กัน <c oughs> ครั้งนั้นบรรดาบททั้งสองนั้นก็เกิดมีความดมดิขึ้นอย่างนี้ว่า <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ความคุกคลีไปด้วยคณะจะมีแกเราทั้งสอง ท่านจงจุดไฟโพลงขึ้นที่ภูเขาของท่านเราจะจุดไฟโพลงขึ้นที่ภูเขาของเราด้วยเครื่องสัญญานั้นเราทั้งสองจะรู้ได้รู้ความที่เรายังมีชีวิตอยู่ดาบุตรทั้งสององค์นั้นก็นทําอย่างนี้แล้วในการต่อมาอีกไม่นานนัก ท่านบอกว่าท่านเ ว, เวททีประกาศดาบท์ทำกาละคือตายเมื่อตายจากความเป็นคนอาศัยที่เป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์และก็ทำสมาธิพอสมควรก็ไปบังเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักด์าใหญ่แล้วบอกครั้นถึงเวลาครึ่งเดือนกลางเดือนน่ะท่านอัญประกาดาบท พอไล่เห็นพอไม่ไล่เห็นไฟก็ทราบดีว่าสหายของเราเวลานี้เพื่อนของเราตายเสียแล้วท่านเวททีประกาศดาบทตรวจดูที่ประเสริของตนในขณะที่เกิดนั่นก็หมายความอลับประกาศดาบ ท, ท่านยังไม่ตายท่านมองไม่เห็นไฟที่เพื่อนจะจุดก็สแสดงว่าทราบว่าเพื่อนตายแล้ว ที่สำหรับท่านเวททีประกาศดาบทเมื่อไปเป็นเทวดาแล้วก็ตรวจดูทิพย์ันเป็นสิริของตนในขณะที่เกิดทรงไค้ค ร, รวญทึ้งกฎของกรรมเห็นกิริยาที่ตนทานี่ก็หมายความมองดูนึกถึงภาพในสมัยที่เป็นมนุษย์ว่าเราทำอะไรเราจรึงได้มาเกิดเป็นเทวดาที่มีนามภาพมากอย่างนี้ อันนี้ขอบันดาญาติโยมพุทธ้บริษัทโปรดทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเองท่านกล่าวต่อไปว่าจำเดิมแต่ออกบทแล้วท่านถอยหลังเข้าไปนะนับตัแต่เลาออกบทแล้วคิดว่าบัดนี้เราจักไปเยี่ยมสหายของเรา นัก็หมายความว่าทิพยสมบัติที่ได้ในขณะนี้เพราะอาศัยการบวชเป็นเหตุจึงทำให้เราได้เป็นเทวดาที่มีความสุขและก็มองดูเพื่อนเพื่อนอยู่เดียวดายจึงตั้งใจว่าเราจะไปเยี่ยมสหายข้อเราในขณะนั้นจึงละอัตภาพนั้นเสียหมายความแปลงตัวจากเทวดา เป็นก็เหมือนทำเหมือนเป็นเมืองคนหลงทางเดินมาไปยังสำนักของอัลบากะดาบดไหวแล้วได้ยืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งให้การยืนนั้นในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพนี่ความจริงผมก็อ่านหนังสือตามเรื่องนะตามหนังสือถ้อยคําสัมโนนอาจจะฟังไม่ถนัดอยู่บ้างเพราะว่าสัมโนนนังสือน่ะฟังไม่ค่อยชัด แตงกล่าวว่าดำดักนั้นอันลบาการดาบทนั้นจึงถามบุรุษนั้นว่าโอบุรีสะดูก่อนบุรบุรผูร้เจริญท่านมาจากไหนบุรุษนั้นได้ตอบว่าท่านผู้เจริญผมเป็นคนหลงทางเดินมาจากที่ไกลและเกินขอรับก็พระผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวเท่านั้นหรือในที่นี้หรือว่ามีใครอื่นมีอยู่บ้างขอรับ พ่านอันลบกะก็ตอบว่าอาตมาเนี่ยมีสหายของเราอยู่ผู้หนึ่งบุรุษผู้นั้นก็ถามว่าท่านผู้นั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่ไหนพ่าอัลบกะก็ตอบว่าเขาอยู่ที่พวกเขาลูกนั้นแต่ว่าวันโวสถเขาไม่จุดไฟให้ลุกโผล่ แสแดงว่าเขาอาจจะตายพิสเล็กกว่าใดถ้ามรุุผู้นั้นก็กล่าวว่าถ้าเป็นเป็นอย่างนั้นเลยเขรับอันทน่านอัลบกะก็บอกว่าเราสัญญากันไว้ถ้าพูดใดถ้ายังมีชีวิตอยู่เวลาที่ถึงเวลาวันอุมโมงศต่างคนต่างก็จุดไฟขึ้นมายอดเขาแสแดงว่าเรามีชีวิตอยู่มรุุผู้นั้น ก็ถามต่อไปว่าก็บอกต่อบว่าผมนะ่ะคือว่าดดาบทพูดนั้นที่เวทีที่พกะพูดนั้นคือผมเองนะขอรับท่านอนละกะแปลกใจถามว่าจริงจริงหรือได้ก็บอกว่าจริงขอรับถามว่าเวลานี้น่าจะไปเกิดที่ไหนล่ะ ถ้ามลุดผู้นั้นก็บอกว่ากระผมเกิดเป็นเทพเจ้าผู้มีศักดาใหญ่ในเทวโลกครับที่มาอีกก็โดยมีความประสงค์ว่าจากเยี่ยมพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นี่อันตรายจะเพึงมีบ้างไหมครับ <c oughs> หมายความสิ่งที่น่ากลัวจะเกิดอันตรายมีไหม ท่านอรรถประกาศดาวโวก็บอกว่ามีอบุโสเราลําบากมากเพราะบรรดาพวกช้างเนี่ยมันโกนอยู่เสมอ <c oughs> วเวลากลางคืนบ้างเวลาตอนเย็นบ้างบันทีโคลงช้างก็มาเราก็มีความลําบากเกรงอันตรายจะเกิดจากช้างท่านบุรุษเทวดาแปลงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านผูน้เจริญช้างก็ช้างทำลายให้ท่านเรา ท่านรัากาศดาบบกกับอกว่ามันถ่ายโคตรลงในที่เรากวาดในสถานที่กว่าเตียนแล้วแกก็ถ่ายเี่ยก็ขี่รถลงมาแล้วขี่ช้างนี่ก็ไม่เหมือนขี่คนขี่คนก็ไม่เหมือนขี่ช้างแราขี่ช้างก้อนใหญ่กว่าเท่าไรก็ไม่หมดเอาด้านหลังจากนั้นก็เอาเท้าคุยขี่ฝุ่นขึ้นข้าพเจ้านั่นคอยขนขี่ช้างทิ้ง ค่อยเกลีย้ยพุ่ออยู่เสมอก็มีความลําบากมากแต่ความจริงช้างก็เป็นสัตว์แกไม่มีเจตนาร้ายแต่ถ้าว่าแกก็ทําไปตามภาษาของแกแต่ผมนี่ก็ลําบากจริงๆครับท่านเทพเจ้าผู้แปลงเป็นมารุก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าปรารถนาจะให้ช้างไม่ให้ช้างเหล่านั้นมารบกวนใช่ไหมครับท่านนั้นลับประกาศก็บอกว่าใช่ อันเทวดาแปลงที่ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ผมจะทํารรให้ช้างเหล่านั้นมารบกวนท่านยิงได้ได้ถวายพินสําหรับให้ช้างใครคําว่าพินนี่ถ้าดีดแล้วช้างจะรักแล้วก็สอนมนสําหรับการให้มนสําหรับให้ช้างรักหมายความเวลาดีดพินแล้วก็ว่ามนบทนั้นแต่ก็ไปที่น่าสิ้นไดนะ มนบทนั่นถ้าไม่ได้เขียนไว้ในบาลีก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงท่านให้แกพระดาบทแล้วก็เมื่อจะให้ได้ชี้แจงสายพินสามสายให้เรียนมนสามบทแล้วก็บอกว่าเมื่อดีดสายพินสายนี้ร่รยมนบทนี้แล้วช้างไม่อาจแม้เพื่อจะหันหน้ามาดูช้างจะวิ่งหนีไปไม่แต่หันหน้ามาดูก็ไป ม, มา เขามีความกลัวถ้าดีดพินสายนี้แล้วไล่บนบทนี้ช้างจะกลับเหลียอวมองดูข้างหลังพลางวิ่งหนีไปในความหมายความช้างกลัวแต่ยังสามารถมองดูข้างหลังแล้วก็วิ่งหนีไม่กลับม า, เ, า, มาเมื่อดีดพินสายนี้แล้วก็ไล่บนบทนี้ช้างช้างนายูงจะอ่อนน้อมคือคล่อมหลังเข้ามาหาคือคุกเข่าเข้ามาหา แล้วก็กล่าวว่าสิ่งใดอันท่านชอบใจท่านพึงทําสิ่งนั้นนี่ก็หมายความว่าต้องการให้ช้างหนีดิดสายนี่ว่ามนบทนี้ช้างจะเปิดแนบถ้าต้องการให้ช้างหนีแต่ยังมีความกล้าอยู่บ้างดิดพินสายนี่ไล่ผลมนบทนี้ช้างวิ่งไปเหลียวมาดูได้ถ้าต้องการให้ช้างมีความรักให้ดิด พินสายนี้แล้วก็ไร่มนบทนี้นายช้างจะเข้ามาคุกเขา่ามอบราบขาบแกว้วยอมรับใช้ยอมรับฟังทุกประการนี่ความจริงบรรดาท่านพุทธบริสัตย์ไอ้คนแล้วนี่ก็มันตายมันละยังหวะก็ไปนอนเล่ากันต่อไปนะเพราะว่าไม่ได้ดูเสือมาก่อนการเรางสืออ่านกันท่านบอกว่าในตอนนี้พระเจ้าพิโกเปน พระเจ้าเท็นกับนกขัสดีลิงได้กล่าวว่าในสมัยนั้นในกรุงโกสัมพีได้มีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพาลัต ป, ปะวันหนึ่งพระเจ้าพาลัต ป, ปะทรงนั่งพิงแดดอ่อนอยู่ที่กลางแจ้งกับพระราชาเทวี <c oughs> สําหรับพระราชาเทวีนั้นทรงประคันอยู่ ราชเทวีทรงหม่มผ้ากำพลสีแดงท่งาอั้มผ้ากำพลสีแดงนในสมัยนั้นถือมีราคาแพงมากร า, ราคาเป็นแสงอปัปปนาซึ่งเป็นพระภูษาทรงของพระราชานั่งปราศัยคือคุยกันอยู่กับพระราชาพระราชาถอดพระธรรมรงค์อันมีค่าแสนหนึ่งจากองค์คุลีจากนิ้วของพระองค์พระองค์ แล้วก็สวมสวมใส่นิ้วของพระนางในสมัยนั้นถึงกล่าวว่านกขัสดีลิงบินมาในอากาศเห็นพระราชาเทวีจึงจะลอปีกบินโฉบ ม, มาโผ ล, ลงมาด้วยคิดว่าพระราชาเทวีที่ผมผ้ากำพลสีแดงนั้นเป็นก้อนเนื้อเธอตั้งใจจะกินเนื้อ แต่ไม่ใช่เนื้อเขาว่าเทวีเขาว่าพระพุทธนางแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อที่เขาวางไว้นกตัวนี้ใหญ่มากเมื่อเธอเข้าใจไว้ชินเนื้อพระราชาทรงตกพระไทยด้วยเสียงโผลลงของนกนั้นจึงเสด็จลุกเข้าไปยังในพระราชราชนิเวศสําหรับพระราชเทวีไปไม่ไหวคือไปไม่เร็ว ได้พระกำลังทรงพระคันแก่และเพราะว่าเป็นผู้มีชาติเห็นคนขาดไม่ความมีความขาดอยู่เห็นนกแถลงมาตัวใหญ่ก็ตกใจเลยลุกไม่ขึ้นคราวนั้นนกตัวนั้นยิงโพลงและก็ท่านนางนั้นนั่งอยู่เป็นผู้มีชาตินั่งก็จับเอาพนนางนั้นไว้ในกรงเล็บ เล็บใจมากบินขึ้นสู่อากาศแล้วเขาบอกว่านกเหล่านั้นทรงกาลังเท่ากับห้าช้างห้าเชือกเท่ากับช้างห้าตัวนะกาลังมากเพราะฉะนั้นจึงนาเหยื่อเป็นทางอากาศได้จับณเทียนที่พอใจแล้วหมายความบินขึ้นไปแล้วไปเห็นต้นไม้ใหญ่ก็จับในที่พอใจ หวังจะเคี้ยวกินเนื้อที่ตนต้องการแม้พระนางนั้นอันนกนั้นได้นําไปพระนางก็ทรงมีความหวาดตอมรณะไผยจึงทรงดํำมิ ว, ว่าถ้าเราจะร้องธรรมดาเสียงคนเป็นที่หวาดเสียวของสัตว์จําพวกสัตติเดชานมันฟังเสียงนั้นแล้วก็จะทิ้งเราไปเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะถึงกับความตาย ในการตายของเราก็อย่าตายพร้อมกับเด็กในคันแต่ว่าถ้ามันจับที่ต้นไม้ที่ใดที่หนึ่งและที่ดินเริ่มจะกินเราในที่นั้นเราจะร้องขึ้นแต่ความจริงพระ น, นางก็มีสติดีมากแล้วก็ไล่มันให้หนีไปพระ น, นางยับยั้งไว้ได้ก็เพราะว่าความที่พระองค์เป็นทรงเป็นบัณฑิตในการนั้นดีเมื่อวันดประเทศมีต้นไซใหญ่ต้นหนึ่ง จะเลริญขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตั้งอยู่โดยาการดังเหมือนกับมันดกนกนั้นได้นำเหยื่อมีเนื้อเป็นต้นไปแล้วย่อมเคี้ยวกินที่ต้นไสรนั้นเป็นที่กินอาหารของนกเพราะฉะนั้นนกขัสดีลิงตัวนั้นเมื่อนำพระราชเทวีนั้นไปไปถึงต้นไสรนั้นแล้ววางพ่อนางคึ้งฆ่าโคบไม้แลดูทางอันตนจะบินมาแล้วในว่า การแลดูทางบินมาแล้วเป็นธรรมดาของนกเหล่านั้นหมายความมาจากทางไหนดูทางนั้นเป็นธรรมดาของนกในขณะนั้นพระราชาเทวีทรงดำริว่าบัดนี้ควรไล่นกหนีไปจึงทรงยกพระหัตถ์สองขึ้นปรบมือแล้วก็ทรงร้องให้นกห น, น, นีไปแล้วเป็นอันว่าท่านนกหนีไปในตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท มื่ปรายกฎว่าเวลามันจะหมดพอดีสําหรับนิทานชาดกด้วยว่านิทานประศุตนี้ถ้าเราจะพูดกันเฉพาะนิทานก็ไม่มีผลมากนักที่เราฟังกันเพลินๆแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะคิดก็คือว่าท่านพระราชาทั้งสองอัลบาการเวตาทีประกาความจริงท่านเป็นพระราชาเป็นจอมคนในประเทศนั้น ในเมื่อท่านเป็นพระราชาแล้วก็มีความไม่ประมาทต่อมาเห็นคนตายคนเกิดใหม่และคนเกิดเก่าก็ตายไปก็มาตำหนิว่าคนเราที่ตายแล้วเกิดมานี่เวลาตายไม่มีใครที่รักเขาตายตามเราไปเลยแล้กวก็ในที่สุดแม้แต่ร่างกายที่เรารักมากที่สุดล้วก็ไม่สามารถจะแบกไปได้ ยังได้ทรงตัดสินใจว่าการเป็นพระราชาไม่ได้ช่วยเรามีความสุขไม่ได้ช่วยเราพ้นจากความตายอันนี้น่าคิดในญะาติโยมพุทธบริษัทจากนั้นยังตัดสินใจออกบทมอบพระราชาสมบัติให้ลูกชายแล้วก็ม่เหสีนี่เป็นว่าพระราชาญาติโยมทั้งหลายคิดว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตแม้แต่เป็นขษัตร์เป็นจอมคนก็แก่เป็น และท่านก็ต้องตายเป็นเหมือนกันปัญญาท่านดีพ่อบุญบารมีของท่านสูงเมื่อบันดาญาติโยมพุทธบริษัททั้บรรดาเพื่อนพิ TER, สุสัมเนธทั้งหลายฟังก็คิดตามไปด้วยต่อมาท่านตัดสินใจบวชแต่ว่าเมื่อบวชแล้วระหว่างที่แรกก็อยู่ร่วมกันที่หลังแยกกันนัแยกกันตอนแรกนันก็วันโวสถพบกันต่อไปก็ตัดสินใหม่ ว่าการพบกันแบบนี้มันก็ไม่ดีต่างคนต่างอยู่วันวุนโบสถจุดไฟเป็นสัญญาณและในที่สุดท่านเวททีประกาก็มรณภาพต้องตายการฟังอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธวิสัต์หลายคิด ช, ชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งโลกเกิด ม, ม า, าเพิดเท่าไรตายหมดเท่านั้น ท่านยังหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้จงคิดว่าวันนี้ไว้เสมอแต่อไม่ความดีที่ท่านทรงศิลท่านไปเป็นเทวดาแล้วก็ยัมีการห่วงเพื่อนมาบอกบนให้กับเพื่อนเพื่อความสุขสําหรับพระราชาเทวีของพระเจ้าประหลัดปะก็ต้องคิดดูคนขนาดนั้นไม่น่าจะมีทุกขอย่างนั้น ถ้าว่าการเกิดนรรดาท่านหลายการพัดผราจากของรักของชอบใจเป็นของธรรมดาจงคิดว่าเรากับท่านก็เช่นเดียวกันคนสมัยสมัยไหนสมัยไห น, ไหนเกิดแล้วก็มีสภาพเช่นเดียวกันฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านบรรดาเพื่อนพิุสสมณีเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราในสมัยที่เราเป็นมนุษย์เดร๋ยถ้าตายไปแล้วจะได้มีความสุข ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาความดีอย่างท่านเวททีปากะ น, นั่นคือพยายามหนึ่งตั้งใจไว้เสมอแล้วก็ทำด้วยว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์สองเราจะไม่ลักทรัพย์สามเราจะไม่ประพฤติผิดในกามสี่เราจะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเพ้เอไม่พูดวาจาโสเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกแล้วกัน หรือว่านินทาชาวบ้านและก็ใจไม่ใช้วาจาที่ไม่เป็นประโยชน์จะพูดเฉพาะวาวจาที่เป็นประโยชน์แล้วเราจะไม่เดื่มสุรามีไรถ้าบุคคลท่านหลายปฏิบัติได้ตามนี้แล้วก็น้อมใจเคารพองค์สมเด็จประจนาสีคือพระพุทธเจา้าและพระธรรมพระอริยสงฆ์ตั้งใจตรงถวายความเคารพในท่าน หลังจากนั้นตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดครั้งนี้เราก็มีทุกข์เกิดกี่ชาติเราก็มีทุกข์อย่างนี้ก็จึงคิดว่าขึ้นชื่อว่าทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกถ้าเราตายจากความเป็นคนเมื่อไรัยจุดที่เราจะไปนั่นก็คือนิพพานเราไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกลรัฐมรรโลกถ้าทุกท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ ความดีของท่านอาจจะถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังไม่ถึงนิพพานก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาและผมอย่างท่านเวเาทีประกาศแต่ถ้ากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผลที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ก็คือจะเป็นคนมีรูปสวยมีอายุยืนนานมีโรคภัยน้อยและจะเป็นที่รักของคนทั่วไป ได้จะเป็นคนที่มีทรัพย์บริบูรณ์สมบูรณ์ทรัพย์จะไม่มีอันตรายจากไฟจากน้ําจากลมและจากโจรผู้ร้ายจะเป็นคนมีพวกจะเป็นคนที่มีคนในปกครองว่าง่ายซ้อยง่ายไม่ฝา่าฝืนคําสั่งจะมีความสุขแล้วมีวาจาเป็นทิพย์คือพูด้ไรใครก็อยากฟังเป็นที่รักทุกคนทั้งหลาย และจะเป็นคนไม่มีโรคสมรษัตไม่เป็นโรกบาอนบันดาท่านพุทธริษว์ ท, ทั้งหลายโดยทุนนาสัญญาณบอกเวบบทเวลาปรากฏแล้วคืนพูดไปมากเท็จจะหมดก็ขอสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงดูนี้ขอความสุขสวัสดิพาพฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผลจงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนิสุตสำเนินทุกท่านสวัสดี